เดือวันนี้เป็นวันเดือน12เพนถ้าเป็นประเพณีทางประเทศไทยของเราก็เป็นวันลอยกระทงวันเดือน1 2เพในครั้งพุทธกาลมีความหมายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อคือนนี้วันเพนนี้เราจะทำยังไงเราจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินรื่นเริ ง, เรงที่ไหน อันนี้ก็คือคนยุคสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าเหมือนยุคสมัยนี้เขาก็ต้องใช้แสงเดือนเพราะว่าเดือน12เบสองเพนไม่มีควันไม่มีฝุ่นว่างั้นเถอะเออเป็นอากาศเย็นสบายเป็นอากาศที่ปลอดโป่งเพราะนั้นเมืองไทยเราก็ประเพณีลอยกระทงไปเดือนบสองเพแต่ก่อนหน้านั้นอีกทีนี่ ที่พระพุทธเจ้ายังเสวยพระชาติพระพุทธเจ้าก็ได้พูดเป็นชาดกขึ้นมาบอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเสด็จประทับอยู่ในถ้มกลางราดปโลหิตทั้งหลายอยู่ในถ้มกลางชุมชนก็ตัดถามขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีอมตหลายคนเสนอในเรื่องต่างๆ อยู่ในที่นั้นแต่มีอํามาตะคนหนึ่งว่าพวกเราควรจะเข้าไปหาสมณพราหมณ์ถามไทยเรื่องความเป็นอยู่เรื่องต่างๆพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นด้วยชื่อพระเจ้าอังคทิราชสมัยนะั้นนะแต่เนี้ยอมตะก็พานําไปไปหานักบวชคืออุปกาชีวคือเป็นนักบวชประเภทหนึ่งแล้วเข้าไปถาม บอกว่าท่านมีความเห็นยังไงท่านอยู่ป่าท่านตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญบาปุลคุณโทษเป็นยังไงในความคิดเห็นที่ท่านปฏิบัติมาแต่ลือสีคนนั้นหรือว่าอุปการชีวคนนั้นเขาไม่รู้เรื่องอดีตอนาคตแั้นเขาก็เลยปฏิเสธไปเลย บาปบุญคุณโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์ตายแล้วเห็นแต่กระดูกไม่มีอะไรลักษณะอย่างนั้นอ่ะทีนี้คนที่ไปฟังก็ปั่นป่วนเลยทีนี้อพอไปศึกษาในผู้ที่ไม่รู้ว่างั้นอ่ะพวะนั้นในยุคนั้นก็รู้สึกว่าเดือดร้อนวุ่นวายไปพอสมควรพระเจ้าแผ่นดินก็เข้าใจผิดไปอีกทีนี้เพราะชีวคนนั้นพูด โน้มน้าวทางจิตใจไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะงั้นแต่ทำให้คนทั้งหลายปั่นป่วนพอสมควรในยกนั้นเพราะงั้นแต่จนถึงพระพุทธเจ้าเป็นนาตรพรมคืออยู่ชั้นพรมท่านบาเพ็ญกิตตภาวนานแล้วไปเกิดเป็นพรมได้ลงมาโปรดมาแสดงความคิดเห็นให้แก่พระเจ้าแผ่นดินอังคทิราชนางรุจจาสมัยนั้น จนเป็นที่เข้าใจว่างั้นจึงยอมรับว่าบาปปูนคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนีเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปคบค้าสมาคมกับผู้ใดก็าตามเนี่ยเราต้องไปฟังต้องไปศึกษาเมื่อเข้าไปฟังเข้าไปศึกษาแล้วฟังให้ถึงใจและศึกษาไต่ตรองด้วยเหตุผลไม่ใช่ว่าเข้าไปฟังฟังเดียวแล้วเออเชื่ออย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้น เข้าไปแล้วก็ต้องฟังฟังด้วยก็มาไตรตรองด้วยเหตุผลว่าเป็นไปได้ไหมในลักษณะอย่างนี้อันนั้นแปลว่าผู้มีปัญญาแล้วก็ทบทวนหาเหตุและผลจนเป็นที่ลงใจเป็นที่ยอมรับจึงปักใจเรียกว่าเชื่อเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปหาบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านว่า บัณฑิตนักปราชญ์คือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพันพระธรร ม, มขันนี่แหละคือบัณฑิตนักปราชญ์ศีลสมาธิปัญญานี่แหละบัณฑิตนักปราชญ์ศีลห้าที่หลวงพ่อได้กล่าวเมื่อคืนในศีลห้านี่ก็คือบัณฑิตนัก ป, าปราชญ์เพราะฉะนั้นควรเข้าไปศึกษาควรเข้าไปสัมผัสควรเข้าไปวิเคราะห์ในพระธรรมคําสั่งสอนนั้น ว่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรนี่แหละถ้าว่าเราจะว่าพระองค์นั้นเป็นบัณฑิตคนนั้นเป็นนักปราชญ์อย่างนั้นบางทีบัณฑิตนักปราชญ์นั้นยังมีกิเลสอยู่อาจจะทําความชั่วเสียหายขึ้นมาเราก็คลายศรัทธาแต่นี่เมื่อเราเข้าไปบัณฑิตนักปราชญ์คือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพันพระธรรมมาขันนั่นนี่แหละเมือเ่อเราเข้าไปหาแล้วเราจะได้ศึกษากับบัณฑิตนักปราชญ์นั้นนะ เมื่อคืนในหลวงพ่อได้เห็นคณะท่านเลขาสภาพัดกับกลุ่มของท่านท้านยว่าไปแล้วก็นี่แหละเป็นหัวกะทิของประเทศเป็นมันสมองของประเทศหลวงพ่ออยากจะให้มันสมองของประเทศนี่ยหล่อหลอมข้อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีอย่างพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้า ประกาศศาสนาแนะนํำภาษาวกของพระองค์วันหนึ่งพระพุทธองค์จะวางรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพระสงฆ์พันสรูปในวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานะเป็นวันที่พระสงฆ์บวชกับพระพุทธเจ้าเองด้วยเอหิภิกขุลคือผู้ที่เข้ามาบวชพระพุทธองค์บอกว่าเอหิภิกุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ทำเรากล่าวดีแล้วท่านเหล่านั้นก็เป็นภิกษุจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติจนได้สําเร็จมรรคผลโดยมากจะเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันธ์ทางนั้นถ้าหากว่าได้บวชอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้ามองดูแล้วเป็นผู้มีบาร ม, มีเต็มเต็มเปี่ยมบริบูรณ์พระพุทธองค์จึงได้บวชเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้คือบวชเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้เอง จากนั้นเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระอรหันต่างองค์ก็ต่างอยู่แต่วันดีคืนดีท่านก็คงจะมียานัศสนะอย่างทุกวันนี้ก็คงจะมีโทรศัพท์ติดตัวกันเถอะแต่ท่านน้นมันเหนือกว่าโทรศัพท์อีกท่านมียานัศสนะว่าเป็นการอันควรแล้วที่พระพุทธเจ้าต้องการอยากจะให้พวกพระสาวกที่เป็น เอหิพิกขุทั้งหลายเข้ารวมกันเพราะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายจึงเข้ามาพร้อมกัน1250รูปล้วนแล้วแต่เป็นผู้ได้รับเอ ธ, ธาาัตคะเรือว่าเป็นสาวกที่พระพุทดธดเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เองจากนั้นพระองค์ก็บัญญัติวินัยขึ้นมาคือตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นปกคลองสงในวันนั้นคือวันเดือนสามเพ่นวันมาฆบูชา เป็นวันประกาศหรือว่ายัางลากลึกไว้ในพระพุทธศาสนาคือตั้งพระวินยัยแต่ที่พระพุทธองค์บัญญัติหรือว่าตั้งวินัยในวันนั้นพระพุทธองค์ก็พูดขึ้นมาหัวใจของวินัยนั่นก็คือสัพปา ป, ปัสสะกระนังการไม่ทําบาป ท, ทั้งปวงหนึ่งกุสลสูปราสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตะประโยรปาณัง การทำจิตให้ผ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานศสาสนังนี้เป็นธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าทั้งหลายอันนี้คือหัวใจโอวาทปฏิโมกที่พระพุทธทเจ้าได้วางในวันนั้นคือการกระทำทางกายกด็ดีทางวาจากด็ดีทางใจกด็ดีทางกายก็คืออะไรคือการกระทำเออทางมือทางเท้าเออทางตาเออตาเกี่ยวตา ดำใส่ใครว่างั้นเถอะทั้งมือทั้งเท้าก็เตะต่อยอันนี้ว่ากายการกระทาทางกายทางวาจาคือคำพูดอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้พูดเสียดพูดแทงพูดดาพูดเยาะเยะ้ยอะไรลักษณะเขาก็ไม่มีทางกายก็ไม่ให้ทำความชั่วทางวาจาก็ไม่ให้พูดในทางชั่วทางใจก็ไม่ให้คิดในทางชั่วเนี่ยัป ป, ปาปัสะกระนัง การไม่ทําบาปทั้งปวงทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยคือไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทําชั่วในทางกายทางวาจาทางใจอันนี้พระพุทธเจ้าทว่าถ้าคิดไปทางที่เบียดเบียนไปคิดไปทางที่ไม่ถูกต้องอันนั้นแปลว่าการทําชั่วแต่ว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปราสัมปทาการมองสังคมชุมชนสังคมประเทศชาติต่อเพื่อนฝูงต่อตัวของเราเองก็มองในทางที่ดีควรจะสั่งสมในทางที่ดี ทําในทางที่ดีพูดในทางที่ดีคิดในทางที่ดีที่เป็นกุศลไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นอันนี้แปลว่ากุศลสูปสัสมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตาปริโยรภาหนังทําจิตให้ผ่องแผ้วคือทําจิตให้ว่างทําจิตให้ปล่อยวางให้ทําจิตให้สบายสบายไม่ยึดไม่ถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันนี้แปลว่าเป็นคําสอนของพระพุธทธเจ้า เพราะนั้นเรื่องวิทย์ในที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในครั้งนั้นวันเดือนหกเพนยังแน่นหนามั่นคงมากระทั่งทุกวันนี้เพราะว่าเหตุไรเพราะว่าพระสงฆ์พันสรูปนะ่ประชุมกันล้วนแล้วจะเป็นพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นผู้เข้ามายืนจุดๆนั้นแล้วมองเมตตาทั่วถึงกันหมด ตลอดถึงสัพสัตไม่ว่าสูงต่ำมีเมตตาเสมอกันหมดเรามีความต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็เหมือนกับให้สุขเหมือนกับเราต้องการอันนี้คือพระสงฆ์ในยุคนั้นที่ท่านไปประชุมวางหลักพระธรรมวิ น, นัยในวันวันมาฆบูชาในปีนั้นเพราะนั้นอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายนะที่เป็นสภาพัเนี่ย หลวงพ่อว่าอยากจะให้ลูกหลานหันหน้าเข้าหากันอย่างนั้นอะ่ะอย่างที่พระสงฆ์พันสรห้าสิบรูปนะั้หันหน้าเข้าหากันแล้วก็หาทางออกให้แก่ประเทศชาติประเทศชาติของเราจะทํำยังไงประเทศชาติของเราจะล้าหน้ากว่าโลกทั้งหลาย อ, อจะทํำยังไงพวกเราจึงจะมีความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขตั้งแต่รากหญ้าจนถึงสูงสุดเ อ, อ จะอยู่ด้วยกันอย่างไรจึงจะมีความสงบร่อมเย็นเป็นสุขจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้แหละอยากจะให้พวกเราที่เป็นลูกหลานทั้งหลายที่ทํางานสภาพัฒที่ได้รับเกียรตินิยมที่กันกรองออมาจากทุกสาขาอาชีพคล้ายๆกับทุกมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นหัวใจของชาติเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลูกหลานให้มีกฎเกณฑ์ยอย่างที่พระ 2,250 รูปนั่นละ่ะวางหลักฐานของประเทศชาติให้มั่นคงเพราะนั้นประเทศชาติทั้งหลายก็มอบความไว้วางใจให้แก่ลูกหลานเมื่อเขียนแผน10ออกมาแล้วคงจะมีแผน11แล้วก็คงจะมีแผน12ต่อไปภายภาคหน้าแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อนี่ขอเน้นหนักกับลูกหลานว่าเรื่องคนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญมากถึงจะพัฒนาอย่างไรก็ตามเรื่องคนเป็นเรื่องที่จาเป็น อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางพระศาสนาพระพุทธองค์กวัติเนี่ยพระสงฆ์พันสรูปนี่แหละเป็นหลักยืนเป็นตัวยืนเป็นคนดีซะก่อนเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายทั้งหมดนั่นน่ะที่จะวางแผนก็ต้องมองตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเขียนให้คนอื่นปฏิบัติตัวเองสเเัมมาเลเทเมลเลเทมันก็ไม่ได้นะตัวเองก็ต้องดีไม่ให้มีทีตต่ตําหนิจึงจะเขียนให้คนอื่นปฏิบัติ เมื่อพระพุทธเจ้า พ, พระพุทธองค์เองก่อนที่พุทธองค์จะบัญญัติธรรมวินัยออกไปพรุทธองค์ก็เป็นสยามภูรู้แจ้งโลกหาที่ตำหนิไม่ได้ท่านจึงบัญญัติวินัยออกไปเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะสอนใครออกไปพวกเราก็ควรจะทําตัวให้ดีเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายเมื่อมาทํางานในจุดนี้เมื่อจะเขียนแผนออกไปลูกหลานก็ควรจะเป็นคนดีอ สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าสัพปปาปัดสะอาดระนังการไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไปแล้ว 2,500 กว่าปีแต่ ถ, ถ้าว่านํามาประพฤติปฏิบัติแล้วจะทันสมัยอยู่ตลอดเวล่ำเวลาหลวงพ่อว่านะเพราะฉะนั้นพวกเรามาศึกษามาดูวัดของหลวงพ่อแห่งนี้เป็นยังไงหลวงพ่อก็ได้ประกาศว่าวันนี้เป็นวันพระเดือนสิบสองเพน มีพี่น้องประชาชนญาติโยงเข้ามาทําบุญทําทานวันนี้วันเดือนสิบสองเพนแต่ในพรรษานี่มากกว่านี้แต่นี่ออกพรรษาแล้วมีแต่ญาติโยมบางท่านบางคนพอมีเวลาก็ถ่ายเทหรือว่าเข้ามาทําบุญทําทานมาสร้างบุญสร้างกุศลเป็นบางการเพราะเป็นวันอาทิตย์ด้วยวันนี้แต่ว่าตามไม่จริงก็พวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละ แต่ตท่างว่าพวกเราถือว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกบุญกุศลมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยากจะพิสูจน์ก็ยับพิสูจน์อย่างที่พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์คือนั่งสมาธิทำจิตให้สงบนั่นลหละเป็นหลักพิสูจน์ที่แท้จริงเมื่อเราพิสูจน์แล้วเราจะรู้แจ้งเห็นจริงเราจะรู้ได้ว่าอันไหนเกิดอันไหนตาย ในร่างกายของเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าร่างกายของคนเรามีอยู่สองอยู่ในนี้รูปประทามกนามมาัธยมถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนจานกระไข่หรือว่าจานกระแก้วอย่างนั้นอ่ะมันอยู่ด้วยกันหรือคนขับรถกับรถอย่างนั้นอ่ะคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันคนขับรถอันหนึ่งรถในอันหนึ่งคนขับรถขึ้นไปขับรถให้รถไปได้ก็เพราะคนขับแต่คนจะขับฝีมือดีขนาดไหนก็เถอะ ถ้ารถมันตายลูกสูบมันติดซะน้ำมันมันแห้งซะน้ำมันมันหมดคนจะฝีมือขนาดไหนขึ้นไปขับมันก็ขับไม่ได้เพราะรถมันตายแต่รถถึงจะดีขนาดไหนก็เถิดถ้าจอดไว้ถ้าคนไม่ขึ้นไปขับรถมันก็ไปไม่ได้เพราะนั้นคนขับรถกับรถนี่มันคนละอันกันแต่พึ่งพาอาศัยกันร่างกายกับจิตใจก็เหมือนกันถ้าว่าร่างกายเรามีอยู่แต่ใจของเราออกจากร่างไปซะอย่างนี้ร่างกายก็หมดสภาพ ถ้าว่าร่างกายของเราหมดสภาพเ อ, อเช่นเลือดในสมองแตกอย่างเนี้ใจเข้ามาถึงจะรู้สึกขนาดไหนมันก็ขยับไม่ได้เพราะเหตุหลไยเพราะาร่างกายมันหมดสภาพเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างอยู่ในกายของเราพระพุทธองค์แยกแยะดูแล้วเห็นแล้วว่าร่างกายกับใจนั้นคนละอันกันเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ที่ได้ไปตัดสรุปธรรมที่โคลนต้นโพเลยว่า เมื่อวันวิสาขะบูชาพุทองค์รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเนี่ยร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งจิตใจนั้เป็นส่วนหนึ่งร่างกายนี้แตกสลายตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจนั้นออกจากร่างไปแล้วไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้ใจของเรานี่พยายามปรับปรุงแก้ไขได้พยายามฝึกหัดได้ทําความเข้าใจได้ฝึกฝนได้ใจเนี่ย แต่ร่างกายเนี่ยเกิดมาอย่างไรรูปร่างเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้ก่อนนิดๆหน่นอยๆแต่ส่วนจิตใจนั้นเปลี่ยนแปลงไดอ้อย่างมนุษย์เกิดมาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางว่าเราส่งเสริมไปทางมนุษย์ติรชาโนมนุษย์ติรชาโนคล้ายๆกับว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นส ต, ติรฉานทาอะไรมีแต่ยื้อแย่งมีแต่แข็งดีมีแต่ เอาลัดเอาเปรียบเหมือนกษัตริย์ติระฉานไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่รู้จักเคารพ บ, บิดามารดาครูอุปชาอาจารย์เพื่อนฝูงทําอะไรเหมือนสัตว์แข่งแย่งกันอย่างนั้นะเป็นว่ามนุษย์ติระฉาโนมนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจสูงมีจิตใจมีเมตตาเอือ้อเฟื้อเอือ้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ชาติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนเขาใจเขาใจเรา อันนี้แปลว่าจิตใจที่มีมนุษย์สูงจิตใจมัเป็นเทวดามนุษยสามนุษโสคือร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นมนุษย์ด้วยก็รู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักวัยวุฒิคุณวุฒรู้จักบิดามารดาตามสมมุติยมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นอันนี้ว่ามนุษสามนุษย์โสมนุษย์สริโยเนี่ยคือเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นพระอริยะพระโสดาพระสกทาพระนาคาพระอรหันมนุษ มนุษยสพุโทโธร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจของเป็นพุท ธ, ธะอย่างพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็ร่างกายของท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่จิตใจของพระองค์นั้นเป็นพระพุทธเจา้าเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องโล ก, กวิถีรูร้แจ้งโลกผู้จิตใจมริสุดเพราะนั้นร่างกายนี่เหมือนกับคนทั่วไปแต่ว่าจิตใจนั้นแตกแตกต่างกันเออร่างกายของพวกเราที่มาเรียนหนังสือกับร่างกายคนธรรมดา กับร่างกายของด็เตอรเขาเหมือนกันด็อกอร์หลายแขนงขนาดไหนก็ตามก็เหมือนกันแต่ร่างกายแต่ส่วนจิตใจสมองนั้นความคิดนั้นแตกแตกต่างกันเพราะนั้นท่านจึงว่าการบำลุงหรือว่าการฝึกฝนทางสติปัญญานั้นฝึกฝนได้แต่ร่างกายนั้นเป็นรูปร่างกลางตัวอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้น แต่ส่วนจิตใจนั้นความรู้ความฉลาดนั้น แ, แตกต่างกันฝึกได้เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงฝึกใจฝึกใจก็คือฝึกสมองฝึกความรู้นั่นแหละแต่ตามไม่จริงพวกเราท่านทั้งหลายก็บอกว่าฝึกสมองก็ใช่สมองเป็นเครื่องใช้ของของใจใจเป็นเป็นเจ้าใจเป็นใหญ่มโนภูพังขามาธรรมามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจควรจะได้ฝึกหัดดัดนิดสัยของตัวเองให้เป็นคนดีนะแล้วก็ฝึกใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปด้วยถ้าว่าใจของเรา เ, ออเป็นคนไม่ดีแล้วเป็นใจเป็นนักเลงเข้ามาแล้วสั่งกายออกไปก็มีแ ต, ต่เตะมีแต่ถีบว่าจจออกไปก็มีแต่พูด จ้วงจับดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น ห, หาความครบยังเกรงไม่ได้เพราะใจของเราเป็นนักเลงเพราะนั้นใจท่านจึงให้ได้รับการอบรมเอาศีลธรรมเข้าไปศีลธรรมก็คือนี่แหละทําคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไวนะ้ฝึกหัดสมาธิดูดใจของตนเองทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งดูการนึกคิดของใจใจคิดเรื่องอะไรปรุงไปเรื่องอะไรมีอะไรเข้ามาในจิตใจของเรา ให้ดูให้สังเกตให้ดูเมื่อดูใจของเราแล้วท่านี้นั่นแหละรู้จักวิธีการที่จะปรับปรุงแก้ไขใจของเราแต่ท้าว่าพวกเราไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตรองไม่ได้พิจารณาไม่ได้ทำจิตให้สงบแล้วไม่รู้กระทั่งใจของตัวเองคิดเรื่องอะไรคิดเลื่อยเปื่อยไปผลที่สุดอย่างมากเอายาก่อมประสาทให้มันหลับระงับประสาทไปไม่ให้มันคิดเท่านั้นเอง เพราะนั้นพวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นคือพยายามดาูพยายามฝึกหัดทางสมาธิาพยายามนั่งกำหนดใจให้อยู่ให้ได้เวลาคิดก็คิดให้ได้เวลาให้สงบก็สงบให้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่านะาพวกเราจะใช้สมองและใช้สติปัญญาของเราได้เต็มที่ เ, เพราะนั้นเมื่อเราได้ไปศึกษาณนะสถานที่ใดทินใด ه, กลุ่มใดคณะใดพวกพวกเราเนี่ผู้ที่จะเป็นมันสมองของประเทศชาติต้องอย่างเข้าไปในการศึกษาเป็นยังไงการพ่อค้าวานิชเป็นยังไงแต่ละกลุ่มแต่ละคณะข้าราชการทุกหน่วยทุกเหล่าเป็นยังไงตลอดถึงวันนี้เข้ามาหาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยวัดของหลวงพ่อนี่เป็นยังไงการเป็นอยู่เป็นยังไงพวกเราต้องมาศึกษาการศึกษาเนี่ยก็คือทัศนศึกษา ดูตาดูหูฟังใจคิดสำเนียกไม่ใช่ไปที่ไหนตโลเฮโลไปหลวงพ่อว่าไม่ถูกนะต้องรู้จักการสถานที่บุคคลเมื่อสถานที่นี้เข้ามาเราควรทำตัวอย่างไรเมื่อเราเข้าโรงหนังโรงละครเราก็ตบมือตบไม้ร้องเพลงในเมื่อเข้ามาหาพระสงฆ์นั้นเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่ได้เราก็ต้องนั่งตมับพับเพียบฟัง ในเมื่อเราเข้าไปเฝ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราก็ทำตัวอีกอย่างหนึ่งในเมื่อเราเข้าไปหานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆเราก็ทำตัวอีกอย่างหนึ่งพะฉนนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงว่าไปณัสถานที่ใดก็ตามให้สังเกตตาดูหูฟังให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาหรว่าให้รู้จักกาลเทศะบุคคลการสถานที่ควรทำอย่างไรเมื่อเข้าไปคบค้าสมาคม สมาคมในกลุ่มนั้นๆหมู่นั้นๆ น, น, น, นอันนี้ฝากลูกหลานไว้ให้เป็นแนวความคิดนะเพราะลูกหลานจะต้องเป็นมันสมองเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาคนอย่างที่หลวงพ่อ เ, กเรกล่าแต่เดี๋ยวนี้เมืองไทยของเรารู้สึกว่าแนวความคิดไปคนละทิศละทางคนละแห่งละหนคนนั้นถึงยังไงก็ตาม ถ้าว่าพวกลูกหลานทั้งหลายที่เป็นมันสมองเนี่ยเป็นผู้เขียนแผนที่เนี่ยอยากจะให้พวกเราเป็นผึกแผ่นเหมือนกับพระสงฆ์พันสร้อยห้าสปู่ถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะนะก็ยึดแนวแถวนั้นเอาไว้ว่าพระสงฆ์พันสองร้ปู่ท่านทำอย่างไงท่านจึงวังหลักพระธรรมวินัยถึง2500กว่าปีพระสงฆ์ยังยึดถือปฏิบัติกันมาโดยสม่ําเสมอ ถึงจะเป็นลุ่มๆุ่ม ด, ดอนดอนบ้างแต่ก็ยังเป็นที่กราบไหวเคารพสักการะบูชายังดีกว่าชุมชนสังคมอื่นๆถ้าเปรียบเทียบแล้วถ้าเปรียบเทียบแล้วพระสงฆ์น ะ, ะหลวงพ่อว่าพระสงฆ์กับกลุ่มชุมชนอื่นถ้ามาเปรียบเทียบสิหนึ่งต่อหนึ่งสองต่อสองใส่กันแล้วถึงยังไงพระสงฆ์ถึงจะมีองค์พวกเราตำหนิติเตียนไปบ้างแต่ถึงยังไงก็กกมีผลพิษ ไผน้อยอยู่แต่พวกเรากคิดว่าควรจะดีกว่านี้เพราะว่าพระสงฆ์อาศัยพี่น้องประชาชนญาติโยมเลี้ยงชีพควรจะดีกว่านี้พวกเราก็คิดอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาจากพี่น้องประชาชนเข้ามาบวชก็คนกิเลส ท, ทั้งรุ่นเข้ามาบวชบางคนก็เข้ามาบวชแล้วก็ยังไม่ลดละ กิเลสราคะโทสะโมหะของตนเองเอามาบวชก็ยังถือมาด้วยก็เลยออกปฏิบัติออกไปด้วยก็เลยทําให้วงการพุทธศาสนาบางทีก็อย่างพวกลูกหลานได้เห็นได้ยินก็ทําให้กระอักกระอวนแต่ลูกหลานก็ควรจะแยกแยะอย่างที่พระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในป่าดงพงไปยังมีมากยังมีมากนะแต่หลวงพ่อไม่ได้ยกหลวงพ่อนะให้พวกเราให้สังเกตไปดูไปเรื่อยๆ ไปดูตามวัดวาศาสนาต่างๆพวกเราจะได้แยกแยะออกว่าเอออันนี้คนดีอันนี้คนชั่วอันนี้พระดีอันนี้พระชั่วอันนี้ข้าราชการดีอันนี้ข้ า, ารนนาชการชั่วมันมีหมดทุกหมู่ทุกเหล่าทุกคณะเนี่ยนะขนาดหมูหมากาไก่เราก็เห็นเราก็ยังมีหมาดีหมาชั่วก็ยังมีมมงมอีกเพราะฉนั้นในโลกนี้มันมีอยู่ทุกแห่งทุกคนนั่นแหละเพราะนั้นพวกเราถึงยังไงก็ตาม อ, อให้พวกเราถึงจะดูข้างนอกก็เถอนะให้ดูใจของเรา ใจของเราเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงตัวผู้รู้ของเราเนี่ยมันฝักไฟไปทางไหนไปทางต่ําใช่ไหมไปทางกามกิเลสใช่ไหมหรือไปทางโทสะใช่ไหมหรือไปทางอิจฉาพยาบาทคนอื่นใช่ไหมถ้าเราสังเกตใจตัวเองเราจะรู้ได้เมื่อสมาธิจับเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมองคนอื่นมันก็เป็นคนอื่นไปให้มองตัวเองเนี่ยประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นนะ เพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายเมื่อมาสู่วัดของหลวงพ่อเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนั่นแ่ะอยากจะให้พวกลูกหลานช่วยพัฒนาประเทศชาติเขียนแผนให้ชัดเจนออกไปปกครองเดี๋ยวนี้หลวงพ่อว่าประเทศชาติของเรามันไม่ใช่ประเทศชาติของเราโลกทางโลกนั่นแหละมันเละตุ่มเปะ๊ะพอสมควรเอ ถ้าทุกวันนี่ก็คือหนักใจที่สุดก็อย่างที่หลวงพ่อได้ยินใครๆก็มาพูดผู้ใหญ่มาพูดก็บอกเรื่องคอรัปช่องเรื่องคอรัปชันนี่นะเอแล้วจะทํำยังไงอแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราควรจะคิดว่าข้าพเจ้าคนหนึ่งจะไม่คอรรัปชันประเทศชาติข้าพเจ้าจะซื่อตรงต่อประเทศชาติข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อประเทศชาติได้ไหม ถ้าทุกคนนับหนึ่งจากข้าไปเจ้าไปอย่าไปคิดว่าคนนั้นน่าจะทําคนนี้น่าจะทํามันไกลเกินไปถ้าว่าทุกคนบอกข้าไปเจ้าจะไม่ทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องข้าไปเจ้าจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมที่สุดเพราะข้าไปเจ้าเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยข้าไปเจ้ารักแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยให้คุณค่าให้คุณประโยชน์แก่ข้าไปเจ้าเพราะนั้นข้าไปเจ้าจะไม่เหยียบย่ําทําลาย ทำให้ประเทศชาติเสียหายข้าพเจ้าจะเป็นผู้เชิดชูบูชาข้าพเจ้าจะทําให้ดีที่สุด เ, เพื่อจะให้ประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขอยากจะให้พวกเราทุกๆกท่านทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยทั้งฝ่ายครวญญาติโยมทุกๆท่านนะั่นแหละถ้าหลวงพ่อว่าถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่อย่างนี้ในใจนะถึงจะเป็นชั่วครัง้งชั่วคราวชั่วขณะก็ยังดีนะหลวงพ่อว่า ดีกว่าไม่ได้คิดเลยถ้าไม่คิดเลยก็อย่างว่าปล่อยปะละเลยทําอะไรก็ทําไปพลในสุดประเทศชาติก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยนะไม่รว้ใครขึ้นมาก็สัดเซไปสัดเซมาแต่ให้ล้มมันก็คงไม่ล้มนะแต่มันมันกลวงมันแกลนมมันไม่ผิดดอกออกผลว่างั้นเถอะมันไม่ผิดออกอกอกผลเพราะว่ามันมีด้วงมีหนอนตัวด้วงตัวหนอนตัวเปลืก มันชีมันชัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นอ่ะมันก็เลยทาให้กิ่งง่าของมันยอดใบของมันกุดกุด้่วนร่ว น, นเข้ามาว่างั้นเถอะมันไม่เจริญงอกเลยเท่าตามที่มันควรจะเป็นเพราะนั้นในหลวงของเราท่านก็เลยวิตกกงังวลต่อประเทศชาติเหมือนกับพ่อ น, น่พ่อของประเทศชาติพ่อในครอบครัวของเราเถ้าเห็นลูกทางหลายออกนอกลูก่นอกทาง ผู้พ่อเนี่ยหนักใจที่สุดเอกลัวครอบครัวจะล่มจมกลัวครอบครัวจะทะเลาะแตกเล้าสามัคคีกันคือพ่อเนี่ยเป็นทุกข์ที่สุดในครอบครัวให้พวกเราคิดดูก็แล้วกันในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ในเมื่อเราเป็นพ่อของคนเราจะคิดได้ในจุดนี้อันนี้ก็เหมือนกันในหลวงคือพ่อของประเทศท่านก็คงจะหนักอกหนักใจกับพวกลูกหลานกับคนในชาติพอสมควรแต่ไม่รู้จะพูดยังไง แต่บางครั้งจะพูดไปก็เกินไปถ้าไม่พูดก็ไม่รู้จักความพ่ลูกหลานบางคนก็ดื้อด้านจนเกินไปถ้าจะพูดเกินไปไอคนที่นิสัยอ่อนอยู่แล้วก็ทาให้กระทบกระเทือนเขาที่พ่อพูดออกไปสิ่งเหล่านี้พวกเราในฐานะคนในชาติที่เป็นลูกหลานทั้งหลายก็ควรจะ มองสูงมองต่ำมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังทําให้ตัวเองเป็นคนดีหลวงพ่อว่านะต้องนับหนึ่งจากข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าจะเป็นคนดีอย่างหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็ว่าข้าไปเจ้าจะเป็นพระที่ดีองหนึ่งเอจะไม่เห็นหนักกกหนักใจกับท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งอจะช่วยเหลือชุมชนสังคมตามตติกําลังความสามารถถ้าหากว่าจะให้แนะนําสั่งสอนก็จะแนะนําสั่งสอน พี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อว่าพระสงฆ์เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วคือคือหมอประเภทหนึ่งเหมือนกันนะพระเนี่ยหลวงพ่อว่าเป็นหมอจิ ต, ตแพทย์จิตเวชเพราะเหตุไรบางคนมีความทุกข์เข้ามาหาพระมีมากต่อมากมาหากลุ่มบ่ายจายันอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกันมีความทุกข์เข้ามาหลวงพ่อก็เอ้ ย, อยทุกอะไรมากมายวะคิดดูให้ดีสิวะเราเกิดมาเราเกิดมาอย่างไง เกิดมาคนเดียวไม่ใช่เหรอเวลาเราตายไปก็ตายคนเดียวว่ะเวลาตายเขาเออนน้าหอมลดมือน้ําหอมก็ไม่ติดในมือของเราอีกต่างหากเราจะไปยึดไปถืออะไรมากมายนักหนาปล่อยวางบ้างสิวะปล่อยที่ใจนั่นน่ะวางที่ใจนั่นน่ะขนาดร่างกายเขาตัวเองเขาก็ยังไปเผาทิ้งนะ่ะที่สุดแล้วเราจะเป็นหนักใจเรื่องอะไรมากมายนักหนาในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีพอที่จะทําสิ่งไหนได้เราทําดีที่สุด ในเมื่อเราทำอะไรไม่ได้เออเราก็ปล่อยวางสิปล่อยวางที่ใจนะเพียงแค่นี้หลวงพ่อว่าผู้ได้ยินได้ฟังเออก็รู้สึกว่าเออสบายใจเออคิดได้ว่าเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวเมื่อตายไปก็ตายไปคนเดียวสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างเออเราจะต้องทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดนี่อันนี้หลวงพ่อว่าเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ เป็นจิตเวทนะหลวงพ่อได้ยินว่าถ้าเป็นเมืองนอกนะถ้าไปปรึกษาจิตแพทย์เนะี่ยพอไปถึงปับ๊บเขาจะกดนาฬิกาตับนะ๊บผู้ระบายให้เขาฟังอพอฟังจบเรียบร้อยเท่านั้นเหรียญเท่านี้เหรียญไอคนที่เป็นประสาทอยู่แล้วประสาทก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกว่างั้นเถอะเพราะว่าเก็บค่าพูดคุยแพงเกินไปว่างั้นเถะ ทั้งที่ตัวเองไประบายให้เขาฟังอระบายแบบธรรมดาธรรมดาแต่เขาก็กดนาฬิกาเอาไว้แลหละพอผลที่สุดพอจบแล้วนั่นแหละคนที่เป็นประสาก็เลยเพิ่มประสาทเข้าไปอีกพ่อไอหมอจิตแพทย์เขาเก็บแพงเกินไปแต่นี่มาคุยกับพระมาพูดกับพระนี่ท่านไม่ได้ว่าอะไรมีแต่ท่านสอนมีท่านแต่แนะนําให้รู้จักอันนี้สิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ควรพูดสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ไม่ถูกต้องนะอันนี้คือพระสงฆ์องค์เจ้ า, จาท่าน ผู้มีศีลธรรมในใจท่านจะสอนอย่างนั้นก็มีอยู่บ้างนะถ้าเข้าไปแล้วดวงอย่างนี้กรรมอย่างนี้ดวงอย่างนี้ทําอย่างนั้นพระราหูพระอังคารพระอาทิตย์พระอะไรเข้ามาทับมาถมอันนั้นก็มีอยู่บ้างนะแต่จริงตอนนะั้นเราก็ฟังเราก็ฟังเอาไว้นะ เ, เพราะวันในโลกนี้มีหลายๆอย่างแต่ในหลักของพุทธศาสนาให้เชื่อกล่อมเชื่อกล่อมเชื่อผลของกล่อม ถ้าตัวเองทำดีแล้วผลก็ต้องดีถ้าพวกลูกหลานทั้งหลายมันขยันในหน้าที่การงานเออแสวงทำตามที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้ทำเราพยายามตั้งหน้าตั้งตาทำแต่อย่าไปเครียดนะทำสิ่งใดก็ตามทำด้วยความสบายทำด้วยความตั้งใจทำไปเรื่อยๆเออผลงานมันกออกมาเมื่อผลงานออกมาเนี่แหละกรรมคือการกระทำเราก็ต้องได้ดีแต่ถ้าหาว่า เราขี้เกียจทํามีติเที่ยวมิเตเล่นมิตเตเตอมีแต่ประจบสอบพลอเข้าไปผลในสุดวันหนึ่งความชั่วที่เราทําไม่ดีมันก็สนองกรรมเราเหมือนกันเ อ, อไม่มีใครที่จะบรรดาลให้เราได้นอกจากเราทําตัวของเราเองนะั่นแหละถ้าทําดีแล้วความดีจะตามสนองถ้าเราทํากรรมที่ไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีจะตามสนองนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อวันนี้ได้พูดเสียยืดยาวพวกคูบาก็คงจะอยากจะจันอาหาร พแรงนะม้่งนี่หลวงพ่อก็เลยพูดพ่อนานๆลูกหลานได้มาพบกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยแสดงความหเห็นให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังอ้าวตอนนี้ไปรับพรนะทต่นี่เนาะ